มนุษย์ทุกคนต้องการความรักและอยากอยู่ในโลกของความรักแต่น่าเสียดายที่ความรักไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์เพราะมนุษย์มีแนวโน้มที่จะเกลียดง่ายกว่ารักใจอันปลอดโปร่งเป็นสุขด้วยวิธีคิดดีๆวิธีมองดีๆเท่านั้นที่รู้สึกดีพอจะเกิดแนวโน้มให้รักมากกว่าเกลียดพูดให้เกลียดกันนั้นง่าย แต่พูดให้รักกันนั้นยากแค่ใส่ความอะไรเช่นเขาด่าเธอนะ่เท่านี้ความเกลียดก็เกิดง่ายหายยากแล้วในทางกลับกันแม้มาเล่าว่าเขาชมเธอนะก็ไม่ได้ประกันว่าฟังด้วยความปลื้มเสร็จแล้วจะนึกรักนึกเอ็นดูกันนอกจากนั้นสายตาคนเราก็เห็นข้อบกกร่องของคนอื่นง่าย หมายความว่าถ้าขัดหูขัดตาก็พร้อมจะหมั่นไส้พร้อมจะรู้สึกไม่ถูกชะตาหรือพร้อมจะระแวงแคลงใจกันคล้ายมีม่านดำกัน้นกลางไว้ไม่ให้เห็นกันดีๆยังไม่หมดคนอื่นทําเรื่องขัดอกขัดใจเรานั้นง่ายนิดเดียวเขาแทบไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำแค่เราคาดหวังให้ใครเป็นแบบไหน แล้วเขาไม่เป็นแบบที่เราคาดหวังอารมณ์ขัดเคืองหรือกระทั่งนึกชิงชังก็เกิดขึ้นในเราได้แล้วโดยที่เขาอาจไม่รู้ตัวที่ยิ่งแย่คืออารมณ์ขัดเคืองหนักๆเพียงวูบเดียวมีสิทธิลบล้างอารมณ์ชื่นใจที่มีต่อกันมายาวนานได้ด้วยเพื่อรู้จักความรักให้ได้จริงก่อนตายคุณจำเป็นต้องมีความสุขกับตัวเองให้เป็น คือสุขแบบไม่ต้องรอเหตุปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวช่วยเริ่มจากการสังเกตเปรียบเทียบว่าระหว่างด่วนเชื่อคำยุยงกับเกือใจฟังหูไว้หูระหว่างมองหาข้อดีกับเพ่งโทษให้เจอข้อเสียระหว่างคาดหวังน้อยๆยกับคาดหวังมากๆอย่างไหนลดระดับความเกลียดอย่างไหนเพิ่มระดับความรัก ไม่มีใครงัดข้อกับความรักไม่มีใครอยากจับมือกับความเกลียดแต่ดูเหมือนอัตตามานะแบบมนุษย์บีบให้ไม่อาจหยุดจับมือกับความเกลียดและงัดข้อกับความรักต่อไปคล้ายเห็นเป็นเรื่องสนุกวันไหนเบื่อการงัดข้อแล้วเริ่มหันมาอยากจับมือกับความรักวันนั้นอัตตามานะต้องถดถอย วันไหนเบื่อการจับมือแล้วเริ่มหันมาอยากงัดข้อกับความเกลียดวันนั้นความอยากเอาแต่ใจต้องลดลงวันไหนเริ่มคิดเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบวันนั้นเริ่มงัดข้อกันแล้ววันไหนเริ่มโทษว่าใครถูกใครผิดวันนั้นเริ่มจับมือกับความเกลียดแล้ววันไหนพยายามกะเกณให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ วันนั้นเริ่มงัดข้อกันแล้ววันไห น, นพยายามเปลี่ยนแปลงอีกฝ่ายด้วยคาําด่าวันนั้นเริ่มจับมือกับความเกลียดแล้วความเบื่อหน่ายอารมณ์ด้านมืดในตนเกิดขึ้นกับทุกคนเสียดายไม่ใช่ทุกคนที่เห็นโทษของอัตตามานะอันทึบหนักจึงไม่ใช่ทุกคนที่ยอมลดอัตตามานะ ส่วนใหญ่เลือกเข้าข้างอัตตามาณต่อไปอย่างมั่นคงความอยากอารมณ์ดีมีใจสุขสบายเกิดขึ้นกับทุกคนเสียดายไม่ใช่ทุกคนที่เห็นโทษของโทสะอันเร่าร้อนจึงไม่ใช่ทุกคนที่ยอมลดโทสะส่วนใหญ่เลือกเป็นลูกสมุนโทสะไปจนตายภาพประกอบ ผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่าเกิดมาไม่เคยเกลียดใครเท่ากับคนที่ฉันรักและอยากอยู่ด้วยตลอดไปคนนี้เลยมีคำกลับมาว่าอยู่ด้วยกันมากกว่าคนอื่นงัดข้อกันมากกว่าคนอื่นจะไม่ให้เกลียดมากกว่าคนอื่นได้ไงรักในระยะไกลเกลียดในระยะใกล้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง เคยร่วมบุญกันมาดีในอดีตแต่ร่วมก่อบาปเป็นประจำในปัจจุบันคำว่าหมดบุญไม่มีจริงมีแต่ไม่ต่อบุญเท่านั้นเคยดีตอนนี้ดีจะเป็นสุขต่อไปเคยดีตอนนี้ไม่ดีตอนนี้จะครึ่งสุขครึ่งทุกเคยไม่ดีตอนนี้ดีตอนนี้จะครึ่งสุขครึ่งทุกข เคยไม่ดีตอนนี้ไม่ดีตอนนี้จะเป็นทุกข์มากหากฟางก่อนเคยร่วมกันสงเคราะห์คนไต่บาทร่วมคันทุกเช้าอุศนจะเป็นฐานเป็นทุนความรู้สึกแสนดีที่เคยเกิดร่วมกันและกลับมาก่อความรู้สึกแสนดีให้เกิดขึ้นอีกในใจส่วนลึกนึกถึงกันแล้วเกิดมนโนภาพหน้าพิศวาส ให้คอยบอกตัวเองว่ารักมากแม้ตัวอยู่ห่างใจก็คอยคิดถึงและเหมือนจับต้องได้ใกล้ชิดกันได้แต่ถ้าชีวิตนี้ต่างป่ายต่างเพราะนิสัยก้าวร้าวเห็นแก่ตัวไม่อยากเอาใจใส่คนอื่นเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่พอเจอกันก็มีแนวโน้มจะทะเลาะเบาแว้งได้ทุกเรื่องอกุศล จึงเป็นหน้าเป็นตาเป็นน้ำเสียงเป็นความรู้สึกบังเกียดอยู่ในใจตืต้นๆทันทีที่พบหน้าพบตาได้ยินเสียงถึงแม้ตัวจะอยู่ใกล้แต่ใจเหมือนอยากออกห่างราวกับคนแปลกหน้าด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความรักจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยเหตุสองประการ หนึ่งคือเคยอยู่ร่วมกันดีๆมาก่อนสองคือได้มาเกื้อกูลกันในปัจจุบันหากขาดเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่อาจรวมลงเป็นความรู้สึกรักจริงๆ ร, รักแ ท, แท้ได้เลย